บุกทูเก้าสิบหก n, n o w d e e s คำสันธานสาม conjunction t r ดฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง mi eli tijas ec de que l a v e r l o j sonoras ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือมิลติจัสเอ็กเดเคียมมีดเดิ้ลสเลนดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุ60มิเชสสลาบอริเอ็กเดมีอาเซสเดกิอาริจูคุณจะโทรมาเมื่อไหร่ขยมวีบอคัส ทันทีที่ดิฉันมีเวลาเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวล า, ล ค, บบาคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ ด, รดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ มีดฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่เเ ข, ขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงานเนนาเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านลิ เ, ลเ า, ทาเ ท, ท่าที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่เเ ท, ท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย เ a าไม่ยั่งเสียวเลียเ a ็ดเท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงานเราไม่ยั่งเสียวมิเอสตัสดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเซมิเน t r o ลงเดอร o มินตุสมิเอสตินตุสอะคูร่าตา ดิฉันพลาดรถเม์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเ a m i n นต a l t r a f i n t u s l a b u s สสนมิเอสต t u s a สอะคูรดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลาเซมิเน i โ i ยเอรา i n นตุสมิเอสติ น, นตุสอะคูร